สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวิตปราดนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอเรื่องราวคติและชีวิตของปราดนะครับแต่แต่โบราณมาถึงปัจจุบันมานําเสนอโดยการใช้วิธีการอ่านเป็นคำํคำๆขยายความเท่าที่จําเป็นในฐานะได้ศึกษาไม่ใช่ผู้รู้ผมทะเป็นคนเปรียมสมบูรณ์เป็นผู้ดําเนินรายการแนะนํารายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8นย9 9 1 2เกนึครับขณะนี้ผมนําเสนอเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าคุรุวิภาคคุรุนะครับท่านโอโชผู้นำทางจิตวิญ ญ, ญาณชาวเวียดนาท่านหนึ่ง เป็นผู้บรรยายคุณตมอมรุสขปรีชาเป็นผู้แปลและเรียบเรียงขณะนี้นําเสนอเนื้อหาเรื่องราวของท่านกิษณมุรติเมื่อตอนที่แล้วถึงตรงที่ท่านเอาชั่วพูดถึงว่ามีถ้อยคําถ้อยคําหนึ่งซึ่งท่านกิษณบุติใช้ในการบรรยายบ่อยมากก็คือข้อความที่บอกว่าผู้สังเกตย่อมถูกสังเกตนะครับผู้สังเกตย่อมถูกสังเกตนะผมจะมาเรียกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใหนะ้เนื้อหามันต่อเนื่องกันบอกว่าคําประกาศของกิศณมุติว่า ผู้สังเกตย่อมถูกสังเกตนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกที่มนุษย์คนหนึ่งเคยกล่าวคําประกาศนั้นเป็นเรื่องพิเศษเช่นเดียวกับที่เจยีศิสเบร์บูริตเป็นเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจโดยใช้ความคิดอย่างเดียวเพราะวิถีทางปัญญานั้นเป็นตรกรรมเป็นทวิลักษณ์โดยทางความคิดแล้วประธานไม่อาจเป็นกรรมได้ผู้มองเห็นไม่อาจเป็นผู้ถูกเห็นได้ผู้สังเกตไม่อาจถูกสังเกตได้ตราบเท่าที่มีความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องคําพูดเหล่านี้จะเป็นคําพูดที่ไร้สาระ ไม่มีความหมายไม่เพียงไม่มีความหมายแต่ยังบ้าด้วยการใช้ความคิดยังถึงความจริงเป็นเรื่องการแยกย่อยผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ต้องแยกจากกันมีเพียงเท่านั้นจึงจะสามารถเกิดความรู้ระหว่างสองสิ่งนี้ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่อาจเป็นวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ต้องอยู่แยกจากสิ่งที่เขาทําผู้ทดลองไม่ได้รับอนุญาตให้กลายเป็นตัวทดลองเสเองตราบเท่าที่เราใช้ความคิดใช้ตรร ก, กะมันจะดูถูกต้องทีเดียวนะถ้าใช้ตรร ก, กะนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ ต่อตรงนี้นะครับแต่มีความรู้อยู่นะครับอย่างหนึ่งที่ผ่านมาจากความเข้าใจเป็นการรู้ที่พ้นจากวิทยาศาสตร์การรู้เช่นนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากวิทยาศาสตร์แล้วเท่านั้นเป็นการรู้เชิงยานทัศน์เชิงศาสนาตรงนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านกิษตวัฒนพูดถึงว่าคนที่เข้าถึงความเข้าใจพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับไอคนะครับไม่เกี่ยวเลยเป็นความเข้าใจนะครับที่บอกว่าเนี่ยเป็นยานทัศนะหรือว่าจะเรียกว่าเชิงศาสนาก็แล้วแต่ นะครับบอกว่าเนี่ยว่าตรงนี้ถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์สิ่งต่างๆเนี่ยครับมันมีประโยชน์ในการทําความเข้าใจอะไรพอสมควรแต่ ม, มันไม่ใช่ตัวประตูที่จะเข้าไปโดยตรงนะ บ, บอกว่ามีความรู้อย่างหนึงที่ผ่านมาจากความเข้าใจเป็นการรู้ที่พ้นจากวิทยาศาสตร์นะครับเพราะถ้าใครยังติดอยู่เพียงแค่เรื่องของตรรกะเหตุผลเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถเข้าใจได้นะอธิบายว่าการรู้เช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากวิทยาศาสตร์แล้วเท่านั้นเป็นการรู้เชิงยานทศนะเชิงศาสน า, ส า, าให้เราลองเปลี่ยนทิศทางดู วิทยาศาสตร์ at, นั้นแบ่งประสบการณ์และการดำรงอยู่ของมนุษย์ออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่รู้นะครับกับส่วนที่ไม่รู้สิ่งที่ร you know? ู้กันในวันนี้คือสิ่งที่ไม่รู้เมื่อวานนี้สิ่งที่ไม่รู้ในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่รู้ในวันพรุ่งนี้ดังนั้นระยะห่างจึงไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ไร้ทางเชื่อมเสียทีเดียวระยะห่างนั้นเกิดขึ้นเพียงเพราะความรู้ของมนุษย์เติบโตขึ้นและขณะที่ความรู้เติบโตขึ้นพื้นที่แห่งความโง่เขาก็ลดลงพูดอีกอย่างหนึ่งขณะที่มนุษย์รู้มากขึ้น พื้นที่แห่งความไม่รู้ก็เริ่มน้อยลงและพื้นที่แห่งการรู้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์นํามานะเราก็รู้ครับโลกระยะหลงังจะเพิ่มยิ่งสองร0 0ยสาปีนะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะครับ <mm mm> ไม่บอกว่าให้เราลองเปลี่ยนทิศทางดูวิท <mm mm> ยาศาสตร์นั้นแบ่งประสบการณ์และการดํารงอยู่ของมนุษย์ออกเป็น2 ส, ส่วนแต่กนะ็บอกวิทยาศาสตร์เนี่ยแบ่งประสบการณ์และการดํารงอยู่ของมนุษย์ออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่รู้กับส่วนที่นะครับไม่รู้นะ ส่วนที่รู้กับส่วนที่ไม่รู้ก็คือวิทยาศาสตร์ก็จะแสวงหาส่วนที่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลานะครับส่วนที่รู้แล้วก็รู้ไปนะแล้วหลายครั้งเช่ส่วนที่รู้แล้วก็มีความรู้ใหม่นะครับที่ลบล้างความรู้เก่าอีกนะสิ่งที่รู้ในวันนี้คือสิ่งที่ไม่รู้เมื่อวานนี้สิ่งที่ไม่รู้ในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่รู้ในวันพรุ่งนี้ดังนั้นระยะห่างจึงไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับไร้ทางเชื่อมเจียทีเดียวระยะห่างนั้นเกิดขึ้นเพียงเพราะความรู้ความรู้นั้นเติบโตขึ้นและขณะที่ความรู้้เตติบโขึนนี้ พื้นที่แห่งความเขาก็ลดลงพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือขณะที่มนุษย์รู้มากขึ้นพื้นที่แห่งความไม่รู้ก็เริ่มน้อยลงและพื้นที่แห่งการรู้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือโลกของวิทยาศาสตร์ถ้าเราใช้ตรกะนี้ผลขั้นสุดยอดก็จะเป็นว่าวันหนึ่งจะไม่มีอะไรที่ไม่รู้เหลืออยู่เลยอย่างช้าๆสิ่งที่ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่รู้และก็จะเกิดช่วงขณะที่ไม่เหลืออะไรที่ไม่รู้อีกนั่นคือเป้าหมายของวิทยาศาสตร์เพื่อทําลายความเข่า แต่การทำลายความเขาหมายถึงการทำลายความเป็นไปได้ทั้งหมดในการสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดของสิ่งที่ไม่รู้ที่ท้าทายให้เราก้าวไปข้างหน้านะครับท่านเดี๋อธิบายว่าถ้าเราใช้ตากาดนี้นะก็คือรู้ไม่รู้แล้วก็รู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผลขั้นสุดยั้ขั้นสุดท้ขั้นสุดยอดก็จะเป็นว่าวันหนึ่งจะไม่มีอะไรที่ไม่รู้เหลืออยู่เลยนะก็หวังว่าเช่นนั้นนะครับวิทยาศ า, าสตร์จะค้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอะไรที่ไม่รู้เหลืออยู่อย่างชา้ชาๆสิ่งที่ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่รู้ และก็จะเกิดช่วงขนาดที่ไม่เหลืออะไรเลยที่ไม่รู้อีกนั่นคือเป้าหมายของวิทยาศาสตร์เพื่อทําลายความเขาแต่การทําลายความเขาหมายถึงการทําลายความเป็นไปได้ทั้งหมดในการสํารว จ, รวจนะครับต้หมายถึงว่าถ้ามันรู้หมดแล้วมันก็ไม่รู้จจไปสํารวจอะไรอีกนะครับความเป็นไปได้ทั้งหมดของสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยที่ท้าทายให้เราก้าวไปข้างหน้านะสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดความหมายไปด้วยถ้ามันรู้ไปหมดแล้วการทําลายความเขาหมายถึงความตายของความฉลาดทั้งปวงเพราะจะไม่จําเป็นต้องใช้ความฉลาดอีกต่อไป มันเป็นเพียงบางสิ่งที่เคยมีประโยชน์ในอดีตเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ได้เลยไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วนี่ไม่ใช่ภาพที่น่าตื่นเต้นมากนะครับก็คือเป็นการวิจารณ์วิทยาศาสต์นะครับว่าการทําลายความขาวแบบวิทยาศาสต์นะครับายถึงความตายของความฉลาดทั้งปวงเพราะว่ามันจะไม่จะเป็นตัวใช้ความฉลาดอีกต่อไปนะมันรู้ไปหมดแล้วนะครับมันเป็นเพียงสิ่งที่เคยมีประโยชน์ในอดีตเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ได้เลยไม่มีประโยชน์อีกต่อไปนี่ไม่ใช่ภาพที่น่าตื่นเต้นมากการอย่างรู้แบบอย่านทศาสตร์ แต่ก้าวพ้นไปกว่านั้นนะครับบอกว่าการอย่างรู้แบบยานทัศน่ะไม่เห็นพ้อกับวิทยาศาสตร์แต่ก้าวพ้นไปกว่าวิทยาศาสตร์ตามการอย่างรู้แบบยานทัศนะสิ่งที่ดํารงอยู่และประสบการณ์ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่ไม่รู้และสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้นะครับสิ่งที่รู้ก็คือสิ่งที่ไม่เคยรู้วันหนึ่งสิ่งที่ไม่รู้จะกลเป็นสิ่งที่รู้ในวันหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่อาจรู้ได้จะยังคงไม่อาจล่วงรู้ จะยังคงเป็นความลับไม่ว่าจะทําอะไรความลี้ลับก็ยังคงรายล้อมรอบสับพพสินความลี้ลับมีอยู่ล้อมรอบชีวิตความรักและการทําสมาธิภาวนาเสมอนะครับอันนี้เราก็คงจะทนะราบอย่างหนึ่งนะแต่แน่นอนครับก็เป็นเรื่องที่ว่ากันไปนะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ใช้ความเชื่อเป็นตัวตั้งแค่ทีเดียวนะ ค, คือพระเจ้าถึงแต่สรู้นะครับแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านรู้ทุกอย่างนะบางอย่างท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ตามการอย่างรู้แบบอย่างทัศนะเนี่ยสิ่งที่ดำรงอยู่และประสบการณ์ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือสิ่งที่รู้แล้วครับสิ่งที่ไม่รู้และสิ่งที่ไม่อาจรู้สิ่งที่รู้ก็คือสิ่งที่เคยไม่รู้วันหนึ่งสิ่งที่ไม่รู้จะกลายเป็นสิ่งที่รู้ในวันหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่อาจรู้ได้จะยังคงไม่อาจร่วงรู้ครับมันก็เป็นความลับอยู่อย่างนั้นนะมันไม่อาจร่วงรู้และจะยังคงเป็นความลับไม่ว่าจะทําอะไรความลี้ลับก็ยังคงรายล้อมรอบสรกพัสิ่ง ความลี้ลับมีอยู่ล้อมรอบชีวิตความรักและการทําสมาธิภาวนาเสมอนะครับเพราะตรงนี้แต่สําหรับนะชาพุทธก็จะทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหานะถึงจะไม่รู้ทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าชีวิตจะจะต้องทุกข์นะครับคือท่านสอนเรื่องการพ้นทุกข์นะไม่ได้สอนเรื่องเป็นรู้ทุกอย่างนะความลี้ลับนี้ไม่อาจทําทลายลงได้ความเขานั้นทําลายลงได้แต่ในการทําลายความเขา่าคุณไม่อาจทําทลายสิ่งมหัศจรรย์เรื่องลี้ลับ คำกล่าวของเจกิเชลมุติ S เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่อาจร่วงรู้เข้าไปเจ้าเคยบอกคุณว่าขณะที่คุณนะครับตื่นรู้และด้วยการตื่นรู้นั้นเข้าไเจ้าหมายถึงคุณจะเริ่มตระหนักถึงกระบวนการของจิตมากขึ้นเรื่อยๆถ้ากระบวนการของจิตต้องใช้พลังงานของคุณทั้งหมดร้อเซคุณก็จะหลับอยู่ภายในนะครับไม่มีส่วนใดตื่นนะบอกว่านะครับความลี้ลับเนี่ยไม่อาจทำลายลงได้นะมันมีบางอย่างซึ่งไม่อาจไม่อาจรู้ได้นะครับ ความเขานั้นทําลายลงได้แต่ในการทําลายความเขานั้นคุณไม่อาจทําลายสิ่งมหัศจรรย์เรื่องลีลับนะครับหมายถึงว่านะถึงแม้จะทําลายความเขารุนแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่เขานะครับหมายถึงว่านะจะต้องรู้ไปหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนะี่ยคกล่าวของเจคิชาลโมติเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่อาจร่วงรู้ข้าพเจ้าเคยบอกคุณว่าขณะที่คุณตื่นรู้นะครับและด้วยการตื่นรู้นั้นข้าพเจ้าหมายถึงคุณจะเริ่มตระหนักถึงกระบวนการของจิตมากขึ้นเรื่อย นะในฉบับต้นฉบับเนี่ยนะครับในในต้นฉบับเนี่ยเขาใช้คว่า meditate หรือ meditation นะผู้แปลคือคุณตัวมอนก็แปลว่านั่งสมาธินะครับแต่ผมนะแต่ผมค่อนข้างแน่ใจครับว่าในความหมายที่ท่านโชหรือท่านกีเซนติหมายนะคว่า meditation ไม่ได้แปลว่านั่งสมาธินะครับแปลว่าสภาวะจิตที่มันตื่นรู้นะครับจะระดับไหนก็ว่ากันไปนะมากขึ้นเรื่อยๆถ้ากระบวนการของจิตต้องใช้พลังงานของคุณทั้งหมด 100% คุณก็จะหลับอยู่ภายในนะครับนะไม่มีส่วนใดตื่นนะครับก็คือเป็นคนที่หลับไหลอย่างคือไม่มีไม่มีส่วนตื่นรู้เลยนะครับว่าข้าพเจ้าบอกคุณว่านะเวลานะครับขณะที่คุณตื่นรู้นะครับด้วยการตื่นรู้เนี่ยข้าพเจ้าหมายถึงคุณจะเริ่มตระหนักถึงกระบวนการของจิตเริ่มตระหนักคือเริ่มตื่นรู้เริ่มตื่นรู้คือเริ่มตระหนักนะครับถ้าไม่ตระหนักเลยก็คือหลับสนิทนะครับก็ตรงนี้ครับมากขึ้นเรื่อยๆถ้ากระบวนการของจิตต้องใช้พลังงานของคุณทั้งหมดนะร้อยเปอร์เว่า วันๆคุณจะสนใจแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่เคยสนใจเรื่องกระบวนการของกิตเลยเนี่ยนั่นคือหลับหลับ 100% นะครับจะแย่งอํานาจกันแย่งเงินแย่งทองแย่งอะไรกันก็แล้วแต่นะก็ยังหลับอยู่ในอยู่ก็ยังหลับดึกอูนั่นเลยนะครับในความหมายนี้นะถ้าเกิดไม่ได้สนใจกระบวนการของจิตเลยนะสนใจแต่เรื่องโลกภายนอกทั้งนั้นนะเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดกับพระสาวกนะพระเจ้าประสเสนจิตมาฟังด้วยพระองค์นั่งอยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยชินกับการนั่งบนพื้นทรงเป็นกษัตริย์ รู้สึกไม่สบายนั่งหยุกหยิกอยากเปลี่ยนท่าแต่พยายามไม่ให้กวนคนอื่นและแม่พระทุกเจ้าสังเกตเห็นเพราะพระองค์ไม่ได้นั่งเงียบเงียบอย่างเป็นสุขแต่กระดิกนิ้วนะหัวแม่เท้าโดยไม่มีเหตุผลทําตัวให้ยุ่งโดยไม่มีธุระมีคนที่ไม่อาจอยู่ได้โดยปัาศจากธุระพวกเขาจะต้องยุ่งอยู่เสมอพระพุทธเจ้าหยุดตรัสและถามพระพุทธเจ้าประเสริฐจิตว่าท่านบอกจะถายคนได้ไหมเหตุใดท่านจึงกระดิกนิ้วเท้าที่จริงแล้วพระ เ, เจ้าประเสริฐจิตไม่รู้ตัว คุณกำลังทำเรื่องเป็นพันอย่างที่คุณไม่รู้ตัวถ้าหากไม่มีใครชี้ให้เห็นคุณก็ไม่อาจรู้ตัวเอาเลยชั่วงขณะที่พระพุทธเจ้าตัดถามนิ้วหัวแม่เท้าก็หยุดกระดิกพระพุทธเจ้าตัดว่าเหตุใดท่านจึงหยุดกระดิกนิ้วหัวแม่เทา้าพระเจ้าประเส้นจิตตัดท่านกำลังทำให้ข้าพเจ้าอับอายข้าพเจ้าไม่รู้ว่เพราะเหตุใดนิ้วหัวแม่เท้าจึงกระดิกเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ก็คือเมื่อท่านตัดถามมันก็หยุดข้าพเจ้าไม่ได้ทําสิ่งใดข้าพเจ้าไม่ได้กระดิกนิ้วและข้าพเจ้าก็ไม พวกท่านเห็นไหมนิ้วหัวแม่เท้าเป็นของมนุษย์มันกระดิกแต่พระองค์ไม่รู้ถึงการกระดิกนั้นและเมื่อพระองค์รู้ตัวพระตาตระคตถามการตระหนครู้ฉับพลันก็ทําให้นิ้วหัวแม่เท้าหยุดพระองค์ไม่ใช่พู้หยุดการตระหนครู้ฉับพลันรู้ว่าเป็นการไร้สาระจตกระดิกไปเพื่ออะไรเพียงตระหนครู้ก็พอแล้วที่จะหยุดจิตของคุณมีจิตของคุณมีความมีความคิดจราจรอ ย, อยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเสมอวันแล้ววันเล่านะครับ นี่ก็ย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะเพราะว่าเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดคำภาษาบกแล้วก็พระเจ้าประเส้นจิตก็มาฟังด้วยนะ <_ d> um> พระองค์นั่งอยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์งไม่เคยชินกับการนั่งบนพื้นนะครับทรงเป็นกษัตริย์จึงรู้สึกไม่สบายนั่งหยุดยิกอยากเปลี่ยนท่าแต่พยายามไม่ให้กวนคนอื่นและไม่ให้พระพุทธเจ้าสังเกตเห็นเพราะพระองค์งไม่ได้นั่งงิบงียับอย่างเป็นสุขแต่กระดิกนิ้วหัวแม่เท้าโดยไม่มีเหตุผลทําตัวให้ยุ่งโดยไม่มีธุระ มีคนที่ไม่อาจอยู่ได้โดยปราศจากธุระพวกเขาจะต้องยุ่งอยู่เสมอพระพุทธเจ้ า, ยาหยุดตรัสและถามพระเจ้าประสิจิตว่าท่านบอกสถาคดได้ไหมเหตุใดท่านจึงกระดิกนิ้วเท้าที่จริงแล้วพระเจ้าประสิทิจิตไม่รู้ตัวนะครับจำนวนพวกนี้จะไม่เหมือนในพระติบิถิคนละแบบกันนะครับนี่นะคือผู้แปลเขาก็แปลแบบอาจจะเป็นสากลนะครับนั้นจะจํานวนแบบนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นะคุณกำลังทำเรื่องเป็นอย่างเป็นพันอย่างที่คุณไม่รู้ตัวถ้าหากไม่มีใครชี้ให้เห็น คุณก็ไม่อยากรู้ตัวเอาเลยนะครับแต่หนูชั่วก็พยายามจะบอกเขาว่าอันนี้คือมันมีสิ่งที่บอกว่าจะเรียกว่ายังไงดีนะจะเรียกว่าครบเศรษบุรุษหรือว่าจะเรียกว่ามิตรดีสหายดีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือถ้าไม่มีใครชี้เนี่ยนะครับมันก็เพลินไปกับกับเรื่องที่ตัเองทําอยู่นะชั่วขณะที่พระพุทธเจ้าตัดถามนิ้วหัวแม่เท้าก็หยุดกระดิกพระพุทธเจ้าตัดเหตุใดท่านจึงหยุดกระดิกนิ้วหัวแม่เท้าพระพุทธเจ้านะพระเจ้าประเสริฐจิตตรัสว่าท่านกําลังทําให้ข้าพเจ้า อ, อับอาย นะครับนี่ที่ว่าครับนะี่สัมนวนสัมนวนนี้นะคนระเบบกับพระเดชบดกนะข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดนิ้วหัวแม่เท้าจึงกระดิกเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ก็คือเมื่อท่านตรัสถามมันก็หยุดข้าพเจ้าไม่ได้ทําสิ่งใดข้าพเจ้าไม่ได้กระดิกนิ้วข้าพเจ้าไม่ได้หยุดกระดิกนิ้วพระพุทธเจ้าตัดภาษาบอกว่านะนะพวกท่านเห็นไหมนิ้วหัวแม่เท้าเป็นของมนุษย์มันกระดิกแต่พระองค์ไม่รู้ถึงการกระดิกนั้นและเมื่อพระองค์รู้ ue, ตัวเพราะว่าแต่ท้ตรท้าคดถาม การตระหนักรู้ฉับพลันก็ทําให้นิ้วหัวแม่เท้าหยุดพระองไม่ใช่พูดหยุดการตระหนักรู้ฉับพลันรู้ว่าเป็นการไร้สาระแกกระเดิกไปเพื่ออะไรเพียงตระหนักรู้ก็พอแล้วที่จะหยุดนะครับต้องเรียนตามตรงว่าในคำสอนตรงนี้นะครับผมคิดว่าคงต้องใจกว้างกันนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็เห็นพ้องกันมาเยอะแยะมากมายแต่ว่ามาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมาเาจะเห็นต่างกันนะครับ ด้านแนวความสันของท่านโชัวก็ตามท่านกิสระมือก็ตามเนี่ยนะครับจะไม่ได้เน้นเรื่องของการไม่ได้เน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะแต่เน้นเรื่องของการตื่นรู้นะครับเน้นเรื่องของการการเจริญสตินะครับเป็นหลักนะบอกว่าตอนนี้บอกว่านะครับบอกว่าพระองค์ไม่ใช่ผู้หยุดการตระหนักรู้ฉับพลันรู้ว่าเป็นการไร้สาระจะกระดิกไปเพื่ออะไรเพียงตระหนักรู้ก็พอแล้วที่จะหยุด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 อันนี้เป็นการขยายคอนเทนของท่านนะครับว่าทำสมาธิเนี่ยมันหมายถึงการเฝ้ามองการเคลื่อนที่ของความคิดในกิจเพียงเป็นผู้สังเกตเรากับคุณยืนอยู่ริมถนนดูการจราจรไม่มีการตัดสินไม่ประเมินค่าไม่ประนามไม่ชื่นชมให้เป็นการสังเกตล้วนๆนะครับคำสอนตรงนี้ผมเห็นว่านะเท่าที่ผมเข้าใจนะครับเป็นคําสอนแบบเดียวกับท่านกิษณ์รัมรุตินะบอกว่าเนี่ยครับว่า ทำสมาธิเนี่ยคือตรงนี้นะครับคือเฝ้ามองการเคลื่อนที่ของความคิดในจิตแล้วไม่ใช่แค่ความเคลื่อนความคิดในจิตนะครับมันก็คือหมายถึงว่าตั้งแต่กายเวทนาจิตไปด้วยนะครับรวมทั้งหมดนะฮะแต่มายหมายถึงเน้นของการเฝ้ามองนะครับบอกว่าเพียงเป็นผู้สังเกตราวกับคุณยือนอยู่ริมถนนดูการจราจรนะถ้าจะใช้คําประเภทนี้บ่อยนะครับไม่ใช่แค่ยือนอยู่ริมถนนดูการจราจรจะหมายถึงว่าเหมือนเราเป็นผู้เฝ้าดูนะครับเฝ้าดูตัวเองนะเฝ้าดูตัวเองนะครับไม่ใช่เฝ้าดูคนอื่นนะครับเฝ้าดูตัวเอง แ่แทนที่จะเป็นตัวผู้กระทําแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยแต่ให้เป็นผู้เฝ้าดูเพื่อผู้เฝ้าดูเนี่ยย่อมจะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ส่วนคนทำเนี่ยบางทีไม่รู้นะครับทำไปตามคือทําไปตามตามความชอบหรื อ, ห ร, อหรือตามภาวะจิตที่มันเป็นอยู่ใ น, นในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะตรงนี้คือบอกว่าจะ ต, ต้องเป็นผู้ดูตลอดเวลาเพื่อจะได้รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่นะครับบอกว่าเรากับคุณยืนอยู่ริมถนนดูการจราจรไม่มีการตัดสินไม่ประเมินค่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นคำสอนที่อาจจะ จะเรีว่าแตกต่างกันพอสมควรนะบอกว่านะครับไม่มีการประเมินค่าไม่มีการตัดสินนะครับเพราะบอกว่าการตัดสินการประเมินค่าเนี่ยมันมาจากคําสอนมาจากความจํามาจากความเชื่อมาจากลัทธิมาจากทิฏฐิมาจากร้อมีน้ําหนักมากสําหรับผมนะมีน้ําหนักมากนะครับเราจะเห็นศาสนาที่สอนท่านไม่ได้สอนไม่ดีนะครับท่านสอนดีแต่ว่าในคําสอนที่ดีนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงไม่ได้แปลว่าเป็นปัญญาเสมอไป มนุษย์จมอยู่กับความเชื่อมาเป็นพันพนปีเป็นหมืนม่นหมื่ปีนะครับจ้าอะไมาเป็นตัวบอกเขาว่าไอ้ฉลากที่ติดน่ะมันถูกจริงๆนะมันสัมมาแน่ๆนะครับสำนักไหนก็ว่าของตัวสัมมาเท่านั้นแหละนะเห็นมิค่ะที่บอกว่าสอนในสิ่งที่เต็มมิจฉาเลยนะครับเพื่อนผมว่าตรงนี้นะก็เรียนตามตรงครับผมก็โน้มมาทางนี้ค่อนข้างมากนะ ค, คือพยายามเทียบยศหรืเรืเร่องการตัดสินการประเมินค่าการติดป้ายไว้ล่วงหน้า เพราะมันในที right. oriented, buffs, right magic, ่สุดครับเป็นมาจากความจําและความจํามาจากอะไรก็ไม่รู้นะครับมาจากความเชื่อมาจากอะไรร้อแปอย่างที่ว่าสะสมมากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่านะครับไม่มีการตัดสินนะครับไม่มีการประเมินค่าไม่ประนามไม่ชื่นชมนะคือพยายามทําจิตให้เป็นกลางที่สุดนะครับไม่ด่วนที่จะสรุปนะครับให้เป็นการสังเกตล้วนๆนะคำสอนตรงนี้นะครับผมค่อนข้างแน่ใจว่าของท่านกิตตมุติท่านโอโชสอนเหมือนกันนะสอนเหมือนกันขณะที่คุณเริ่มคุ้นเคยกับการสังเกตมากขึ้น ปรากฏการแปลกอย่างหนึ่งก็จะเริ่มเกิดขึ้นถ้าคุณรู้ตัว 10% พลังงานขนาดนั้นก็จะเคลื่อนจากกระบวนการของจิตมาสู่ผู้สังเกตที่นี่นะจิตก็จะมีพลังงานเหลืออยู่เพียง 90% แล้วก็มาถึงช่วงขนาดคุณมีพลังงาน 50% พลังงานของคุณเริ่มเติบโตขึ้นขณะที่จิตสูญเสียพลังงานของมันไปการจราจรก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงและน้อยลงส่วนคุณจะยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเริ่มตื่นรู้นะครับเริ่มทำอะไรเป็ น, ปนผู้เฝ้าดูนในศั์คาภาษาอังกฤษที่ท่านใช้คำเดิมนะครับท่านโอชูดจะใช้คำว่า awareness นะท่านกิซัมบุรีจะใช้คำว่า attention นะครับในความหมายที่ผมคิดว่าใกล้เคียงกันหรือเกือบจะเหมือนกันเลยนะ ค, คือ ย, ยิ่งสามารถตื่นรู้ได้มากเท่าไหร่นะไอจิตที่วุ่นทั้งหลายก็จะเรายิ่งลดลงเพราะมันเป็นพลังงานตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกัน ถ้าจิตรู้มากขึ้นไอ้จิตไม่รู้ก็น้อยลงประมาณนั้นนะคือหมายถึงว่าเมื่อตื่นรู้มากขึ้นเนี่ยไอ้จิตที่วุ่นวายทั้งหลายแหล่ที่เอาเรื่องไปพ่วงไปจินตนาการไปใดร้อยแปมันก็จะมันก็จะมีพลังงานลดลงนะบอกว่าขณะที่คุณเริ่มคุ้นเคยกับการสังเกตมากขึ้นกับสังเกตก็คือการเฝ้าดูที่ว่านนะครับปรากฏการแปลกอย่างหนึ่งก็จะเริ่มเกิดขึ้นถ้าคุณรู้ตัวสิ ถ้ารู้ตัวสิบเปอร์เซ็นต์พลังงานขนาดนั้นก็จะเคลื่อนจากกระบวนการของจิตมาสู่ผู้สังเกตนะเพราะมันใช้พลังงานตัวเดียวกันก็คือพลังงานในตัวเราไงนะครับนะมันแบตเตอรี่มอเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ส่งไปที่อื่นมันก็ส่งมาที่ตรงนี้ไงนะทีนี้จิตก็จะมีพลังงานเหลืออยู่เพียง 90% ้าต่ไอ้จิตวุ่นทั้งหลายเนี่ยครับมันก็จะเหลือแค่เกเพราะมันมเอามารู้ตัวสักสแล้วนะแล้วก็มาถึงช่วงขณะที่คุณมีพลังงาน 50% คือถ้าคุณรูสนะิบเปอิตวุ็นกตหคือพลังงานแคตัว พลังงานของคุณก็เริ่มเติบโตขึ้นขณะที่จิตซูญเสียพลังงานของมันไปจิตวุ่นมันสูญเสียพลังงานของมันไปการจราจรก็จะเริ่มน้อยลงนะเมื่อจราจรเริ่มน้อยลงคุณก็เริ่มจะเคลื่อนที่ได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใชนะ่เปลี่ยนเลนซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้หน้าก็ไม่ได้หลังก็ไม่ได้นะครับมันติดไปหมดนะสุดท้ายมันก็ติดแนกะด้วยการจราจรก็จะน้อยลงน้อยลงส่วนคุณก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอิสรภาพก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นตัวตนแห่งการสังเกตของคุณเพิ่มมูนขขึ้โดยยยออองรวาก และแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆส่วนจิตก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆจาก 90% เป็นผู้สังเกตและ 10% เป็นจิตเป็น99เนะครับเปอร์เซ็นต์เป็นผู้สังเกตและ 1% เป็นจิตนะครับแล้นี่คือสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นคําสอนทั้งหมดก็ก็เกือบจะเรียกได้อย่างนั้นนะครับของ2สํานักนี้นะครับก็คือนะก็คือการสังเกตตัวเองนะสังเกตตัวเองบอกว่าตัวตนแห่งการสังเกตของคุณเพิ่มพูนขึ้นโดยองรวมขยายออกและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ส่วนจิตก็เริ่มอ่อนเนลงเรื่อยๆจาก90เป็นผู้สังเกตและ10เป็นจิตแต่ทั้งหมดนี้อย่าลืมกระบวนการที่บอกว่าไม่ตัดสินนะครับเฝ้าดูล้วนๆไม่มีการตัดสินไม่มีการติดป้ายใดๆไว้ก่อนนะครับเป็น99เป็นผู้สังเกตและ1เป็นจิตเมื่อผู้สังเกตมีถึง 100% จิตก็จะหายไปถนนว่างเปล่า<ม>ชาแข่งจิตว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรเคลื่อนที่มีเพียงผู้สังเกต นะครับเพราะว่าเมื่อผู้สังเกตมีถึงร้อนตจิตก็จะหายไปถนนว่างเปล่าชาแข่งจิตว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรเคลื่อนที่มีเพียงผู้สังเกตนะครับจิตวุ่นไม่เหลือพลังงานแล้วเดีเอาทั้งทั้งหมดมารู้ตัวนะครับนี่คือสภาวะที่คํากล่าวของเจคิสามุติชี้ถึงเมื่อไม่มีอะไรให้สังเกตเมื่อมีเพียงผู้สังเกตเดียวอยู่และผู้สังเกตเองก็จะกลายเป็นผู้ถูกสังเกตเพราะไม่มีอะไรให้สังเกตอีกไม่มีอะไรให้ทําอีกผู้รู้เพียงแต่รู้จักตัวเอง ผู้เห็นมองเห็นตัวเองพลังงานที่เคยผ่านออกไปยังวัตถุความคิดไม่มีความคิดไม่มีวัตถุพลังงานไม่มีทางไหนไปเลยมันเพียงกลายเป็นแสงสว่างสู่ตัวเองแสงสว่างสู่ตัวเองไม่มีสิ่งใดให้แสงนั้นส่องแสงจึงส่องเพียงตัวเองเปลวไฟถูกล้อมรอบด้วยความเงียบล้อมรอบด้วยสุดเยวตาประเด็นนี้ต้องขออภัยนะผมก็เป็นผู้ไม่รู้นะไม่ใช่ผู้รู้นะแต่ว่าผมก็ ตรงที่ผมอ่านตรงนี้ศึกษาตรงนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เห็นอย่างท่านโอโช่เห็นนะครับผมกลับไปคิดว่านะครับท่านกิสนาโมเดทพูดถึงตรงนี้ว่าเหมือนกับว่าผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตมันคือสิ่งเดียวกันนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นจะไปตั้งอุดมการณ์อะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วมันไม่มีนะครับมันก็คือส่วนที่เมื่อมีอุดมการมันก็มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีเวลาเกี่ยวข้องมันคือมีความคิดเกี่ยวข้องเมื่อมีความคิดเกี่ยวข้องมันก็คือตัวตนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่า การรู้แจ้งของคันทั้งเกีสมุติบอกว่ามันมาจากมันมาจากการเข้าสังเกตมันเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิง่งถ้าเมื่ไหเคลื่อนที่แนวแนวนอนมันมาจากความคิดทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้ น, น่นคือบอกว่าผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกตเป็นสิ่งเดียวกันนะผมเข้าใจแบบนั้นนะครับแต่ท่านโอชโชอธิบายแบบนี้ก็ก็เป็นคําอธิบายแบบหนึ่งซึ่งผมเองผมผมไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะฮะ บ, บอกว่านี่คือสภาวะที่คํากล่าวของเจเยสมุติชี้ถึงเมื่อไม่มีอะไรให้สังเกตเมื่อมีเพียงผู้สังเกตเหลืออยู่แล้วผู้สสัังงเเเกกกตตะาายูถพรรไไมม่ีี ไม่มีอะไรให้ทําอีกผู้รู้เพียงแต่รู้จักตัวเองผู้เห็นมองเห็นตัวเองพลังงานที่เคยผ่านออกไปยังวัตถุความคิดคไม่มีความคิดไม่มีวัตถุพลังงานไม่มีทางไปไหนมันเพียงกลายเป็นแสงสว่างสู่ตัวเองไม่มีสิ่งใดให้แสงนั้นส่องแสงจึงส่องเพียงตัวเองเปลวไฟถูกล้อมรอบด้วยความเงียบล้อมรอบด้วยสุเดตตานะครับนี่เป็นคำอธิบายแบบของท่านโอโชนะนั่นคือวิธีทิ่กิจสัญาณปฏิกา์ล่าวถึงว่าผู้สังเกตถูกสังเกตเสเอง คุณอาจเรียกว่าการรู้แจ้งเป็นเรื่องเดียวกันแสงเพียงแต่ส่องตัวเองไม่มีอะไรอีกให้แสงให้แสงสาดส่องคุณได้และหลายจิตคุณอยู่ตามนำพังตื่นและแตนักรู้อย่างเต็มที่นะครับคือคำสอนของท่านกฤษณ์บุตรท่านโอชูเียฟังดูง่ายนะฟังดูเหมือนกับเนี่ยครับเฝ้าดูเฝ้าดูแล้วก็จะนะก็จะรู้แจ้งอะไรประมาณนั้นนะถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าท่านใดก็ตามที่อ่านพระไตรปิฎกมาพอสมควร ก็ได้จะคิดได้จะเห็นว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แต่อย่าไปคิดว่าเราจะเป็นคนนั้นท่านนึนงนะเราอาจจะไม่ใช่คนนั้นน่ยนะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับก็ไม่ได้เกินจริงนะนั่นคือวิธีที่กิษณมบริตต์กล่าวถึงว่าผู้สังเกตถูกสังเกตซะเองคุณอาจเรียกว่าการรู้แจ้งนะเป็นเรื่องเดียวกันแสงเพียงแต่ส่องตัวเองไม่มีอะไรอีกให้สาดให้แสงสาดต้องคุณได้ละลายจิตคุณอยู่ตามลําพังตื่นและจะนักรู้อย่างเต็มที่กิสณมบริตต์ใช้วลีของตัวเอง เขาจู้จี้เรื่องนี้นิดหน่อยไม่อยากใช่วลีของคนอื่นถ้อยคําของคนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นที่เคยมีนะอาจารย์ท่านอื่นใช้ตลอดชีวิตของเขาเขาสร้างวลีของตนเองขึ้นมานะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมก็เห็นท่านใช้คําว่า attention แต่พยายามอธิบายที่ไม่คือ attention ของท่านท่านก็ต้องอธิบายให้รู้ว่ามันไม่ใช่ attention แบบที่ภาษาอังกฤษทั่วไปเปิดพระอาจะนุกรมจะจะจ ะ, จะใช้ได้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นคําว่า meditation ท่านก็ใช้คําว่า true meditation เพราะท่านปฏิเสธนะครับเนี่ครับคำว่ามิเตเดชันเนี่ยมันกลายเป็นว่านั่งสมาธิหมดอาจารย์ตัวมอนก็แปลคำว่า m e d i a t i o n ว่านั่งสมาธินะท่านต้องใช้คำว่าทูมิเ t เดชันเพราะบอกว่ามิเต a t i o n ไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิมิเตเดชันแปลว่าการเฝ้าดูจิตนะครับประมาณนี้นะคือการการที่ทาอะไรก็ตามแล้วสามารถจะตื่นรู้กับประสาทสัมผัสทั้งหมดและความคิดได้นั่นแหละคือ e ิเตเด i o n นะท่านคิดท่านพยายามชี้อย่างชี้แจงอย่างนี้กับคือท่านก็ไม่ได้บัญญัติศัพท์ใหม่นะแต่พยายามจะชี้เห็นว่าศัพท์ที่ใช้ก บอกว่านะครับบอกว่ากิษนาบุติใช่วลีของตัวเองเขาจู้จี้เรื่องนี้นิดหน่อยไม่อยากใช้วลีของคนอื่นนะถ้อยคําของห น, นึ่งไม่ใช่สิ่งอื่นที่เคยมีอาจารย์ท่านอื่นใช้ตรอชื่อถือเขาเขาสร้างวลีของตนวเองขึ้นมานะไวถึงตรงนี้เดี๋ยวประมาณสักหน้าเดียวครับนะไว้ต้องไว้ต่อข่าวหน้าขณะที่ผมนําเสนอเนื้อหาจากหนังสือทีอชอ่ชื่อว่าคุรุวิภาก ค, คุรุแต่กนะับท่านโนโชนะผู้นาํญญญาชายเจริญชัยวิทย์ท่านหนึ่งเป็นผู้บรรยายคุณตัอมอสุขปรีชาเป็นผู้แปลและเรียบเรียงนะกําลังนําเสนอเรื่องราวของท่านกิสนติ วันนี้พอสมควรกับเวลาครับช่วยกันแปลขยะเป็นบุญสหนับสนุนบุญนิยมทีวีครับขอบคุณครับเจริญธรรครับ